ที่ตนและมิตรรักอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารอีกเป็นอันมากโกลิตะได้เห็นอุปติสะเดินกลับมามีสีหน้าผ่องใส ย, ยิ่งนักไม่มีสีหน้าแห่งผู้หมกมุ่นครุ่นคิดอย่างวันก่อ น, อนจึงอนุมานว่าสหายของเราคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นแน่แท้พระดาจิตมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประภสรมีรศมีซ่านออก จิตเป็นอย่างใดย่อมสร้างออกมาทางสีหน้าดวงตาและอาการกริยาอื่นๆเมื่อจิตโกรธสีหน้าและแววตาเป็นอย่างหนึ่งแววตาแข็งกร้าวมองรัม้มหรือแดงจัดกริยาอาการแข็งกระด้างตึงตังเมื่อจิตเปีย่ยมด้วยเมตตาปราณีสีหน้าก็ผ่องใสแววตาอ่อนโยนกริยาอาการละเมียดละไมวาจาอ่อนหวานนุ่มนวล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 และเดินตามท่านไปจนได้ฟังธรรมจากท่านเขาเล่ายัางละเอียดละอโกลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับเขา ทั้งสองได้ปราโมทอันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจอด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการ ต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจบลงด้วยความทุกข์โล ก, กียรถยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งทมแล้วมีทมเอิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสเวยความสุขทางโลกไม่ว่าพระนีตรานใดก็มีใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนือง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 ปกลงใจว่าจะสละโลกีสุขออกสแสวงหาโมคธรรมแต่การสแสวงหาโมคธรรมน่าจะได้บทในสำนักใดสำนักหนึ่งจึงพาบริวารออกบวชเป็นปริภาชกในสำนักของอาจารย์สัรชัยซึ่งอยู่ใกล้เมืองราชคลึนั่นเอง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 ก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยของเขาอันการแสวงหานั้นที่ประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีโดยปริยายเบื้องต่ำสัมมาอาชิวะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐวิชชาอาชิวะเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐโดยปริยายเบื้องสูงการแสวงหาอามิต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 ท่านอาจารย์สันชัยพูดประชดประชันแต่สองสหายผู้มีอัธยาศัยงามเพียบพร้อมด้วยสาวกบรมยานก็หาถือเป็นเรื่องเคืองใจแต่ประการใดไม่คงอ้อนวอนต่อไปพนานาให้เห็นว่าการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากเพียงใดการได้ฟังพระสัตธรรมของพระองค์ท่านก็เป็นของยากบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว